คุยกันมาเรื่องกรรมฐานเรงครูเรื่องอาจารย์สมัยใหม่กับสมัยเก่าท่งครูเป็น อ, อาจา ร, ร <c oughs> ย์ของเรากรรมฐานสมัยนี้ที่เรียกว่าสมัยใหม่ก็ได้เพราะสมัยเก่าเริ่มมีกรรมฐานตอนทาาันยุคใหม่ัุคเสาร์ทันยังมีชีวิตอยู่ มาฐานโดยส่วนใหญ่ในคอยจะมีการงานบ้านเนอกมุมนามุงตาประิบัดเคยมีการก่อสร้างวัตถุไอพักไปอาศัยที่ไหนก็ อ, อาศัยอย่าโยมศรัทธาสรส้างฮะก็ติกาต๊อเท่านั้นที่พักที่อาศัยสล า, าของโด้ห ม, มักมุงยามุงใบไม้ <c oughs> ท่านดูเดกง่ายเด็กสบาย ในวุว่นวายต่อควรกันต่างฉัน ต, ต่างองต่างต่างหนะ้าแต่จุดบัตดภาวนาละกิเลสแต่สมัยแต่จุบันยนี้วัดวาศาสนาดันวัตถุรู้สึกกนะ้าหน้ารุ่นเรยงเจริญแต่สถานที่ใดตามหูตามตาเนาี่ยจิตก่อสร้างต่างๆมนว่าท่านว่าเราจุตจิตริหารจิตภาคจิตอาศัยรู้สึกว่าใดญโต อยู่หล้านะ่ะแต่ทางด้านจิตใจนั้นทำไมปัจจุบันรู้สึกว่าลำบากอาเนียนครูอาจารย์ได้พบปะกันในสถานที่ต่างๆไม่ค่อยจะพูดถึงธรรมะทางการปฏิบัติมักอยากจะคุยถึงส่างอันนั้นส่างอันนี้ ได้ไปสู่ปัจจัยมาจากที่ไหนท่านอย่างไรนั้นจึงจะเสร็จไปกันแน่นั้นโดยส่ว น, น, นใหญ่อยากไปทั้ง99เเเเนลย <c oughs> ไปแบบนั้นแต่สมัยก่อนตอนไหนกันมั่นยังอยู่้าเจ่ า, จาสาสงก็ทือท่านเป็นสำคัญเพราะตัวของท่านอยู่สถานที่ใดท่านก็อยู่แบบสงบ วลาสติที่อยู่ของท่านก็ไม้มีอะไรที่แตกต่างรู้ลาใหญ่โตอะไรท่านเคยส่งเสริมในการก่อสร้างด้านวัตถุส่งเสริมในการสพื้นปฏิบัติถ้านเน้นในมาตรการกล่าวบ่ายท่านท่านจะต้องถามถึงจิตใจการภาวานาภายใน ทุกองติต้องเพียรไปขอไปหาท่านคือคนที่ยังไม่มีหลักจิตใจภาวานาไม่เป็นไปกลัว่นถามเม่ลกลัวเล่งทําความผากความเพีย้ยนจนรู้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่นในจิตในใจเมื่อถามจะได้ไปเล่าถวายท่านถ า, ถามทุกรายไปนอกจากนั้นพระพวกเุ่นสูงผีวิเว ในสมัยก่อนพอเจอกันก็ถามเป็นไงไปพักที่ไหนมาได้กำลังทางจิตใจอย่างไรก็เราถูกกันฟังเป็นอย่างนั้นไม่มีการถามสร้างอะไรเกิดยยได้ยังได้ขึ้นมาจากไหนไม่มีการถามกันมหมายถึงระยะเวลาก็ยังไม่นานเท่าไหร่ตอนขันจันมันมันนี้ก็ยี่สิบกว่ปี ยังไม่ถึงสามสิบปีที่ขันหลวงรับไปยื่งสมัยพุทธกาลแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่การอยู่การอาศัยกาปรปฏิบัติโดยเสียใหญ่ผู่มาเพื่อปฏิบัตินั้นมุ่งมั่นในการละขอนที่เหลทางใจไ <c oughs> ม่ได้ติดในด้านวักถุเพราะพวกเหล่านั้นออกมา จากตระกูลใหญ่ๆเป็นคนที่มีสมบัติเพียงพอมาแล้วเบือหน่ายในสมบัติเบือหน่ายในการของพลาวาตออกมาสู่นพรพชิตเทศมุง่งหน้ามุง่งตาภาวนาลากิเลตตามพุทธประวัติเดือยอ น, นุพุทธประวัตินั้น มันมีสถานทือใดที่พระเจ้าพระสงฆ์จะไปก่อสร้างขึ้นนอกจากยาบยงถึงเป็นาาคารวะสุหมึ่งบุญหวังสุสมสร้างถวายเช่น ง, งานวิสาขาสร้างถวายกวาล้างใหญ่ล้างโตจึงเงินไปตังหลายโกโดโดยวันยี่สิเจ็โกโดทั้งหมด อยู่เ ก, กือบโกดกเป็นสองร้อยกว่าล้านต่างเป็นสมัยปัจจุบันนั่นก็ไม่มีใครอยู่ดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ถึงเป็นพระอาหารอาหันตอรหันต์แล้วกว็าตามท่านก็เห็ น, นหนีเพราะหนวกหนอดูไม่สบายการก่อสร้างจนเดลวสิ่ตามอราธนาพระโมกขลานะ ใหญ่องค์เดียวเท่านั้นมาพักมาอาศัยอยู่นั้ น, นการก่อสร้างนี่แสดงว่ า, า, ก, าการก่อสร้างสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก่อทรงบัญญัติเอาไว้ในเขายืนในหลายแห่งกอ่อสร้างที่อยู่ที่อาศัยถ้าหากป็นเฉพาะส่วนตัวก็จากัดเอาไว้ถ้าท่านใหญ่กว่านั้นทา่านกบฏอั บ, อบดุลหนักจนถึงทั้งคาติเศษ ขอแหงกันไม่อยากจะให้พิกสุเป็นนักก่อสร้างทางวัตถุอยากให้ก่อสร้างทางใจทางวัตถุนั้นจะมีมากมายเวยงานขนาดไหนถ้าหากใจผู้อยู่ผู้อาศัยไม่เป็นสุขไม่สบายมีกิเลสปัญหาเป็นเสื่อมลบกวนแล้วนั่นก็ไม่มีความหมายอะไรวัตถุนั้น สร้างง่ายสั่งใจสร้า ง, างยากกว่าและเมื่อสร้างได้กวาท้าวอนจริงจังไม่มีวันเวลาที่จะเสื่อมโทรมหรือเสียหายเหมือนวัตถุวัตถุเราสร้างขึ้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยเราไม่จากมันมันก็จะจากเราคือบางทีมันก็พังได้ก่อนบางทีเราก็ตายได้ก่อนแต่ธรรมนะที่ถวกเราระพฤ่งปฏิบัติภายใน เราจะเห็นจะเข้าใจในตัวของตัวเองสิ่งใดที่เราจะทำบําเพ็ญเห็นรู้มีอยู่ในเราสิ่งนั้นมันจะไม่เสื่อมสลายคาเป็นธรรมะที่แท้จริงเห็นจิ ง, ส, งสิ่งในใจิตในใจถึงสิ่งนั้นมันจะสลายไปในความจำขอตาม แต่ความประทับใจมันจะมีอยู่เจ็บความสงบของจิตเราเคยไปปฏิบัติปฏิบัติอยู่สถานผี่นั้นจิตใจได้รับความสงบเย็นลงไปอย่างนั้นรวมลงไปอย่างนั้ น, น, นถือมาทําอีกเมืนเจนเหมืเห็นอย่างเดิมกว่อตังความจาอันนั้นจะประทับใจอยู่เรื่อยไปและผู้มีปัญญาผู้ตังง้งหน้าปฏิบัติ ก็ไม่มีทางสงสัยจะมีปัญญาสอนใจทองตัวให้เร่งรีบป่ะเพื่อปฏิบัติต่อไปเพราะตอนจะทำนั้นเราทำอย่างไรใครเข้าออกมาให้ความสงบเย็ยนใจรวงรมอย่างนั้นเมื่อเราไม่เห็นไม่เต็มยนี้ใครขโมยของเราหนีนันจะต้องสอนที่เจรมาตัวอย่างนั้นตอนเราทำเราก็ทำเองเห็นเอง นั้นให้เจนให้เห็นอย่างนั้นขอพ่อเราทําำในทิ้งขั้นคือมันจะเกิดจากเป็นนั่นจะต้องรีบเร่งทำตามผักความเพียรต่อไปเพื่อให้เห็นให้เจนให้เย็นให้สงบนี่คือทางปฏิบัติผู้ที่รู้เห็นในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เหินไม่หลงในหลักตรรกะไม่บ้าไม่บอในที่อยู่ที่อาศัยอยู่สถานที่ใด สงบระงับมีโอกาสาเวลาบำเพ็ญภาวนาสะดวกอยู่สถานที่นั้นถึงจะอดอยากยากจนขนาดไหนท่านก็ทนทานไปเพราะถืออาหารของใจคือธรรมะเป็นสำคัญยิ่งกว่าอาหารของกายอยู่ไปเป็นวันๆพอไห่ตายเถ่านั้นก็พอแล้วมีอะไร คือเขาให้เด่นน้าใสใจสัทธาถึงของนั้นจะไม่หรูหราไม่ดีิเศษคนทั่วไปเพราะไม่นิยมก่อตามแต่อันนั้นไม่เบื่ออันนั้นไม่เมาอันนั้นไม่ผิดทำในในของพระพุทธเ จ, จา้าสืสอนไว้เขามีอย่างไรเขาถวายด้วยน้ำใส่ใจจริงเราถือน้ำใจเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าวัตถุอื่น ฉันไปพอประทังชีวิตต่างจิตประพฤติประจิบเดินเป็นกรมภาวันาละกีเลตเลืลล่อยไปความจริงครูอาจารย์สมัยก่อนก่อตามสมัยพุท ธ, ธากาลก่าตามสมัยปัจจุบันก่าตามที่ได้ธรรมะมาสอนพวกเราซึ่งเป็นสัจธรรมจริงจังนั้นท่านเลยมาจาก ความหรูหราทำเนมาจากสถานที่เอกเลักษณ์นี้ฮะทำเนมาจากความเป็นอยู่แบบสุขสบายท่านอาศัยอยู่ตามป่าตามเขาตามหล่มไม้ตามตการะรนะท่อมการเจริญภาวนาล้ากิเลสมันง่ายมันสบา ย, ม, บายมันสะดวก เพราะไมมีการรับผิดชอบเรื่องอื่นมีแต่ตั้งหน้าภาวนาเท่านั้นยิ่งมีวัตถุมากเทไรก็เป็นภาระที่จะดูแลรักษาอยู่ในที่วุ่นวายสู่คนเห่นผ่านเทไรมันก็ไม่สะดวกในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นท่านที่ได้ธรรมะมาสอนพวกเราโดยส่วนใหญ่หรือโดย อย่างทั้งหมดท่านใดมาจากป่าจากเขาจากที่ทุกยากกันดานพระพุทธเจ้าตรัสรู้กทราบว่าท่านตัสรู้ในป่าสอนธรรมะเบื้องต้นเป็นปฐมเทศนาก็ในป่านคือสอนในสลมซาลาอย่างสมัยปัจจุบันที่อยู่ที่อาศัยไม่มีออกไม่แอร์อะไรท่านก็อยู่ไปตามธรรมชาติ คืออาจารย์ผี่ท่านออกปฏิบัติก็ท่านนองเดียวกันโดยส่วนใจได้ในสถานที่ลําบากอยากเย็นทางนั้นพอมันเห็นโทษเห็นภัยเรื่องทางนอกไม่มีอะไรมาลบกวนมี่จะตั้งหน้ากำหนดรักษาจิตใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาเถื่อนอะไรกานก็ทราบพราสติอยู่กับตัวของท่าน จนได้บัญจัติถึงเรื่องสัพไตยะทือสถานที่สบายอย่างพระพุทธเจ้าท่าทราบท่านจึงบัญจัติเอาไว้แต่พวกเราทั่วไปนั้นมันส บ, บายเรื่องของกิเลสมันไม่ส บ, บายเรื่องของธรรมะสัพไตรยะของพระพุทธเจ้าเสนาสนะสัพไตยะอาห า, าสัพไตยะบุคคลาสัพไตยะ อุตสปยะสปยะทั้งสี่ท่านให้แสวงหาผู้ไม่ภาวนาผู้ไมาทำจิตภายในจะไม่ทราบสปยะทั้งสี่ตามเป็นจริงได้ที่สถานที่ใดกติวิหารใหญ่โตรู้ล้าผู้คนเข้ามาสักการะบูชาลาดสักกาะ มีมากทีอวาสถานที่นั้นเป็นสัตยะอยู่กอดสบายอาหารการกินกอน็อยากขบฉันอะไรก็ง่ายแต่จิตใจเล่าเป็นอย่างไรไม่่อยตรวจตาทิ่าจรนาเหตุ น, นั้นธรรมะจึงไม่่อยเกิดขึ้นมีแต่ธรรมะจํามาจากสำหรับำํำราธรรมะเกิดจากภาวนาไม่่อยจะเกิดจะมีให้สัตยะที่พระพุทธเจ้าส่าวไว หมายถึงสัพเพยะของใจสัพเพยะของธรรมะสัพเพยะที่ขาจกิเลสในใจสัพเพยะที่ชอบใจเอากิเลสเป็นศาสดาที่สอนใจคือเอาธรรมะที่เกิดขึ้นจากภาวนาเป็นเสียงวัดเราปฏิบัติอยู่ในสถานที่นั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเค ย, ย outez, ปฏิบัติคงเส้นคงวาเดินจงกรมภาวนา ตามเวลาแต่งหน้าแต่งตาผักเคียมอยู่จิตใจของเราเป็นอย่างไรแล้วก็่ามันเคยสงบขนาดไหนมันเคยละเอียดขนาดไหนถ้าหากผู้ภาวนาจะต้องตรวจตาที่จะนาใจของตัวไปบางแห่งบางที่ก็ททำเสมอตอนเสมอตายไม่มีอะไรขาดตกบกพ่องแต่ใจิตใจก็ไม่ ละเอียดให้ในรงรวมให้ในเยือกเย็นในสงบให้ไปบางแห่งบางที่ทั้งทั้งสี่ธรรมอย่างเดิมพอเข้าไปแ ถ, ถานั้นจิตใจเยือกเย็นจิตใจสบายพอพิจารณากําหนดธรรมะแถวนั้นจิตรวมถึงความสงบจริงจรจังๆถอดถอนสิ่งพิจารณาอะไรที่สงสัยก็ตกไปขาดไปหลุดไป นี่คือที่สับวายะของผู้ภาวนาดูภายในดูใจของตัวเมื่อไปแล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติในใส่ไปในสถานที่วิเวกแต่ตัวกก่อวิวุ่นไม่ทำอะไรให้ไม่แต่วุ่นวายในจิตในใจสัญญาอารมณ์มีอยู่ที่ใดนำมาก่อวกวนตัวเองอยู่นะั้น เราไม่ไปตั้งหน้าตั้งตางรักษาดูแลจิตใจของตัวว่ามันชั่วมันยีอย่างไรสถานที่นั้นเป็นอย่างไรสถานที่นี้เป็นอย่างไรเพื่อใ น, นคำนวณคนวนถึงใจของตัวเละไม่ทราบว่าสถานที่ใดเป็นสัพเพยาของใจถ้าหากสู้ไปภาวนาะตั้งหน้ากำหนดรักษาจริงจังจะทราบสถานที่เป็นสัพเพยาเ่อทราบกว่า รักษาเอาไว้สถานที่นั้นเคยให้ความสุขความเจริญเสียใ จ, รจรเราไปภาวนาทำร้ายกิเลสจิตใจของสายจิตใจเยือกเยน็นเราจไ่ไปบทำเพ็ญไปกระทาที่นั้นเพราะเป็นที่สงบสบายในจิตในใจของเราแต่ต้องตั้งสัดมีความจริงในตัวไปอยู่สถานที่ใด ให้ตั้งใจปฏิบัติเมื่อมันเป็นมันเห็นอย่างนั้นชัดเจนแล้วจะทราบสถานที่นั้นเป็นสัพยะสถานที่นี้ไม่เป็นสัพยะพอเราไปล้วตั้งหน้าทาอยู่คงเส้นคงวาในเคยละในการแต่ทำบมเพ็ญแต่มันเป็นให้ในสถานที่นั้นสถานที่นี้มันไม่เป็นให้ก็เดีชื่อว่ามันไม่เป็นสั ป, ปะยะของใจเรา มหมายถึงสถานที่บุคคลาสไป ย, ยะหมายถึงพักพวกควนสูงมูอสาหะรมนี้เดือยกันหรือพักพวกที่อยู่ในนั้นเป็นพวกที่ต่างหน้าต่างตามีทิฐิความเห็นเหมือนกันคือมุ่งมั่นในการปฏิบัติในใช่มา รวมกันเข้าคนได้อยากทำอะไรก็ทำไปคนหนึ่งกำลังเดินจงกรมภาวานาะคนหนึ่งก็คุยกันขึ้นคนหนึ่งทำอันหนึ่งอยู่คนหนึ่งไปทาอันหนึ่งขึ้นที่อกลัวจิตใจผู้ตัง้งหน้าตังา้งตาบาเพ็ญภาวานาะไม่ให้ส ง, งบเพราะเสียงเป็นข่าศึก ข, ของปฐมมาสารแผันกกล่าวไวเป็นน้ำยอกใจสาหเสียง มีมากคนที่ภาวนายังอยู่ในขั้นต้นจิตใจจะเข้าถึงความสงบสุขไม่ได้เพราะเสียงมารบกวนแย่แทงอยู่เรื่อยๆแผ่นจึงงห้หลบเรื่องของเสียงมันก็พอลบได้แต่ฐานที่วิเวกทางกายมันพอหาง่าย สถานที่นี้วุ่นวายสถานที่นี้มีรูปมีเสียงก่อควนเราหลบไปอยู่ที่อื่นห่างไกลจากที่มีรูปมีเสียงแต่หาที่วิเวกที่อื่นมันพอหาได้แต่วิเวกของใจเป็นเรื่องวิเวทยากหายากนอกจากผู้จะมีอัดมีทำรักษาต่างหน้าต่างตาจริงจังเคยเห็นเคยเป็น อยู่เรื่อยๆก็จะเห็นฤทเวกของใจคือปราศ จ, จากสัญญาอารมณ์ต่างๆทางโลกให้มีความสงบมีความสุขใส่คิดติด ต, ตามเรือ่องของธรรมเลยไปพักพวกเพื่อนฝูงจึงเรียกว่าบุคลาสปายยะนั้นต่างท่านต่างองค์ต่างคนมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติพูดคุย กันก็เรื่องธรรมะทางแก้ไขยทิเหลตันหาไม่ได้พูดจาไปในเรื่องของโลกมีข้อของจิตของใจอะไรสงสัยเราเข้าไปศึกษาไปถามธรรมะจากพระกวัสขวนสฝูงนั้นพออาศัยได้ท่านจะแก้ไขอธิบายเรื่องข้อของใจให้เราหายสงสัยนี่คือปุคลาสปายยะ บุคคลเป็นที่สบายไหวเนื้อเชื่อใจกันไม่เป็นข่าศึกของกันมุ่งมั่นในการปฏริบัติเหมือนกันเรียก บ, บุคลาสไปยะบุคคลแบบนี้ก็เป็นของหายากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันไม่เคยว่าเป็นของหาง่ายทั้งท่านบคคลมีทั่วโลกแต่บุคคลที่สนใจที่มีอัธยาศัยตรงกันมันหายาก ท่านเ่อบุคลาสสบายจ้ะบุคคลเป็นผี่สาบายไม่เป็นภัยอันตรายตาเห็นก่อเย็นตาหูได้ฟังคำพูดของเขาก็ไม่เป็นภัยใจคิดอะไรในเขาก็ไม่ตำหนิหมายถึงเลื่อมใสเป็นใจในเขาคนนั้นถือเป็นเพื่อนร่วมประพฤติปฏิบัติด้วยกัน เรียกว่าปุขละสบายยะอาหารละสบายยะนั้นหมายถึงอาหารการกบถันอยู่จนินทุกคนที่มีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยอาหารเป็นเส่วนบำรุงรักษาในอย่างนั้นก็ไปไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ดส่องอาศัยอาหารเหมือนกันท่านจิงว่าเป็นจิตอันหนึ่ง ซึ่งสมณะจะต้องแสวงหาคืออาหารแสวงหาของสมณะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแสวงหาอาศัยการบินเท่าบาทโดยเม็ดส่องออกปากต้องขอใครก็ให้อะไรโดยนําใส่ใจจริงก็รับเอานี่คือเรื่องของอาหารเหนือมารับทานมาขบถัน เราเองจะต้องพิเจนาไม่เชื่อว่าฉันไปโด ย, ยอํานาจของกิเลสปัญหาถ ắ นจริงว่าให้มีปฏิสังขารโยคือพิเจณาให้อยากคายเชื้อก่อนฉันโดยปัญหาท่านก็ตับอาบัตทางพระทีกสุสามะเนรเป็นอย่างนั้นต้องพิเจณาเชื้อก่อนอาหารนั้นมันเป็นอย่างไรถ้าพิเจณาสอนใจข้องตัวบางทีก็เกิดโสดสังเวสบางทีก็ เกิดธรรมะความเบิกบานจิตใจขึ้นอาหารการกบฉันของพวกเราท่านที่มีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยคนอื่นเขาใหมาของเหล่านั้นมีคุณค่าในใจของเขาทิ่งเขาให้มาบูชาผู้ปฏิบัติตามอาัตตามธรรมของพระพุทธเ จ, จา้าเพื่อจะให้มีกำลังกายปฏิบัติปฏิบัติ ต่อไปเมื่อมีธรรมะในใจแจต่เดนี้ยสอนเขาเขาให้หวังบุญหวังกุศลไม่เคยให้โดยหวังสิ่งอื่นให้ของอะไรมาเป็นต้นว่าที่วานกอ่อตามอาหารการโขกฉันกอ่อตามที่อยู่ที่อาศัยกอ่อตามยาแก้โรคกอร่อตามนี่คือเขาใหมาบำรงพระพุทธศาสนาบำรงผูกพุทธปฏิบัต เข า, าไง้หายมาบวชเบญจิเรตตัญหาเขาหายมาเพื่อบุญเพื่อกุศลได้ให้แก่ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เป็นบุญเป็นกุศลว่าของนั้นเราได้ถวายแก่คนคนนั้นท่านองค์นั้นซึ่งท่านต่างหน้าต่างตาปฏิบัติดีชอบเขาหายไปแล้วเขาเย็นใจสบายใจเพราะการหายของเขา เราผู้รับของเขามาขบฉันเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาให้เรามาเพื่อบำรุงกายของเราจะได้เดินจงกรมภาวนาละกิเลสไม่ให้มาเพื่อกินเหล่านอนพูดคุยกันเล่นเชิญไปในสิ่งอื่นถ้าเราคิดทีนี้พิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องสอนใจของพวกเราท่าน ไม่เห็นนอนใจเพราะชีวิตเป็นอยู่เด็กคนอื่นต่างหน้าต่างตาปฏิบัติภาวนาเกี่ยวกการแก่ไขกิเลสปัญหาของตัวเรามีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นที่เขาบำรุงรักษาสนับสนุนแต่เราจะไปนอนใจตายใจฉันแล้วแม้ต่างหน้าทำความผากความเพียอะไรเราก็ตตาหนิตัวของเรา ไม่สมกับเขาที่ให้สิ่งของมาบำบ ulong เราจะต้องสอนเรานอกจากนั้นเราจะพิจารณาอาหารเป็นปริกูลเสื้อก่อนจึงไข่ฉันก็อถูกของที่เขาให้มาเขาต้มเขาแกงมาแล้วหนึ่งหึงมาแล้วถ้าเป็นข้าวข้าวไ <c oughs> ม่เป็นของจะเน่าจะเสียของนั้นอาหารนั้น ถ้าเก็บไว้ธรรมาดาไม่ใส่ตู้เย็นหรือไม่อุ่นเอาไว้ของนั้นทัางวันทั้งคืนไปจะมีกลิ่นบูดเน่ารับทานอีกไม่ได้อาหารมันเป็นของปฏิกูลอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่อาศัยถาดขันมันเป็นอยู่โดยอาหารจึงรับทานหรือฉันนด้ถ้าหากมาสาปทานตามเนื้อตามกายอาหารที่เราชอบ เราไปอยู่ไม่ได้เพราะมันแสบมันเหนิเราไม่ต้องการนี่เรารับทานลงไปคือ้องสู่ใส่ของเราอาหารนั่นแหละมาบารุงร่างกายของเราให้มีกําลังที่จะเดินจงกรมภาวนาะที่จะทำความผาดความเพียนต่อไปแต่อาหารนั้นมันเป็นของปฏิกูลร่างกายทั่วไปของเราคือเรา สมมติมันหมายว่าชายว่ายิงว่าสวยว่างามนั้นก็เป็นของปฏิกูลเหมือนกันนี่คือการพิจารณาเรื่องอาหารแต่จะให้มันเป็นสปยายะนั้นที่เนเรียกว่าอาหารรา้สปายะหมายถึงเราฉัน ล, าานลงไปแล้วทานลงไปเราจะต้องสังเกตจิตใจของเราอีกวันนี้ทําความผากความเทียนมันเป็นอย่างไรจิตมันผ่องใสหรือเศร้าหมองเราจะต้องตรวจตาพิจารณา อาหารก็สามารถที่จะเป็นพิษเป็นภัยทําจิตทาใจให้ห่ว ง, งเหงาห้านอนทําจิตทาใจให้เศราหมองเพิ่มเติมตราคาตันหาได้เป็นบางสิ่งบางประการเหมือนกันเพราะนั้นเพวดาเจ้าผู้รู้ท่านจึงให้ท่านพิจาราการกบขันของเราในอาหารห น, นั้นนั้นอาหารจะเพียรใดที่ขันลงไปเบากายเบาใจ กระเทียมกระตือบัดเป็นไปเผื่อความผ่องใสเป็นไปเผื่อความสงบเย็นอาหารประเทีนั้นเป็นสัตยะสำหรับเราควรที่จะเลือกอาหารประเทีนั้นไม่ขบฉันอาหารประเทียมใดฉันลงไปทําให้ร่างกายเกิดความไม่สบายเป็นพิษเป็นภัยก็อโรคในกายก็ดีหรือฉันไปทานไป ทำจิตทำใจให้เกิดราคะตัณหาภาวนาไม่สงบเราจะต้องสังเกตว่าอาหารนั้นไม่เป็นสปายะสำหรับตัวของเราเราจะต้องพยายามปล่อยวางอาหารนั้นถึงธาตขันมันชอบเราก็จะต้องปล่อยวางเพราะเรารักทำยิ่งกว่ารับอาหารถ้าหากเราที่นิสพิจารณาอย่างนั้นจะทราบอาหารอะไร ที่เป็นไปเถอะสบา ย, ยะสําหรับตัวของตัวเมื่อย่างนั้นก็จะไม่ทราดมีอะไรก็คบกอยฉันไปเอาจิเลียตัญหาเป็นาศาสดาเป็นผู้แนะสอนอยากอะไรกดฉันไปทำไปในสิ่งนั้นจิตใจจะเป็นไปอย่างไรไม่คอยดูแลรักษานี่คือเอาจิเลียตัญหาเป็นสาสาศาสดาผู้แนะสอนใจถ้าหากเอาธรรมะเป็นเคร่องสอนใจนั้น จะต้องดูภายในว่าขบฉันอะไรลงไปแล้วมันเป็นอย่างไรถ้าหามันเป็นไทยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมในก้าวหน้าเราจะต้องรีบละถอนอาหารอันนั้นอย่าไปขบฉันในเมื่อพอหาอาหารอื่นทดแทนได้เูาจะต้องที่ใจรณาอย่างนั้นสำหรับอาหารรัตายะ ในส่วนใหญ่นักภาวนาถ้าหากพิจารณาตัวเองแต่พอทราบอาหารประเทศดผิผัดผัดมันๆผวกเนื้อผวกหมูต่างๆมักอยากจะเสริมการหลับการนอนเ่งวิเลี่ยงันหาภายในก็มากจากปรุงปุงถ้าหากเป็นผักเป็นน้ำพริกพวกเหล่านี้รู้สึกว่าดี จะรู้จะเขใจได้พะเราไปอยู่ในสถานที่อดอยากอยากจนอาหารไม่เคยมีนั้นรู้สึกภาวนาดีจิตใจเบาหลังกายก็บสบายในการภาวนาเราจะองพิจารณาตัวของเราเองกิงจะทราบว่าอาหารประเภทใดเป็นสับว์ไปะยะของกายของใจเราหนึ่เป็นเรื่องทุกคน มาประพฤติปฏิบัติจะต่องที่นิ้ที่แกนัดกำหนดรักษามาอย่างนั้นวันนี้สงบดีสบายดีแต่วันใหม่เกิดหุ่นวายสัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรก็เลยไม่ทราบสาเหตุของมันเมื่อไม่ทราบสาเหตุไหมทราบสมยมือฐานของมันก็แก้ไขไม่ได้หานะความสงบสบายยากเพราะเราไม่ทราบไม่พาใจ อุตุสัตยยะเป็นข้อที่สี่ต่อไปหมายถึงยินฟ้าอากาศเป็นสัตยยะยินฟ้าอากาศโดยส่วนมากมันก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันถ้าหากไปพบโดยตัวเองไปสถ า, านที่บางแห่ง่วงเงาหานอนเก่งถึงนอนให้เท่าไรมันก็ไม่พอ ลืมตาไม่อยากขึ้นมือใจอยากหลับอยากนอนอยู่เรื่อยเมื่อมันนอนมากเมื่อมันง่วงอยู่อย่างนั้นการพิเจอหน้าอะไรมันก็ไม่คอยแจ่มใสให้ไปถามที่บังแห่งอาสาศมันเบามันสบายนอนนิดๆหน่อยๆมันก็เหมือนนอนตลอดวันตลอดคืนเดินชมพาวันนะสะดวกสบายอากาศมันดีมันโร่งให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็น เหมือนกันถ้าจึิงบั ญ, ญัติเอาไว้ว่าสตายะของผู้บำเพ็ญภาวานามีอยู่สีอย่างคืออาหาราสปายะผุขราสปายะเสนาสนักสปายะอุตุสปายะเรื่องเหล่านี้แล้วแต่อัธยาศัยของใครจิตเคยสังเกตตัวของตัวเองเท่านั้นจะทราบทางหาไม่สังเกตก็ไม่ทราบที่ไหนก็เหมือนกัน เพราะตัวมันมืดอยู่แล้วบอดอยู่แล้วในสถานที่ไหนจะไปหาแสงสว่างนั้นมันหาไม่ได้สําหรับคนตาบอดแต่คนตาดีรู้จักวสถานที่นั้นมันสว่างสถานที่นั้นมันมืดนี่ผู้ภาวนาผู้มีจิตมีใจศึกษาภายในของตัวก็ทราบอย่างนั้นสถานที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นสถานที่นี้มันเป็นอย่างนี้ จะสาดดีจากการกระทําบมาเพ็ญของตัวถ้าหากเราไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติไม่ดูเหตุการณ์อะไรไม่ตั้งใจทำจริงทำจังความเป็นไปท้องจิตข้องใจอย่าไปคิดว่ามันจะเกิดจะเป็นสิ่นเองยิ่งไปวุ่นวายในเรื่องภายนอกเท่าไร คนนั้นย่นใจออกไปจากเรื่องของธรรมะครูอาจารย์ห ร, รือพระพุทธเจ้าอริยเจ้าทั่วไปท่านสนใจไหมท่านเคยสันละเสริญไหมท่านเคยทํามาไหมแบบนั้นถ้าท่านไม่เคยทํามาท่านไม่ฉันละเสริญเวลาที่ว่าคนผิดทําไปแบบนั้นทําผิดแหว ก, กแนวของศาสนาถึงเขาจะถือเขาว่า ดีด้วยเศษขนาดไหนก็คงจะเชื่อสําหรับคนโง่คนบอดเท่านั้นคนรู้คนฉลาดภายในจริงจังท่านจะไม่เชื่อตามคาพูดของเขาเพราะพระพุทธชายเจ้าหรือสาวกท่านไหนทําแบบนั้นแต่องค์นี้ทําได้อย่างนั้นทําแล้วจิตของท่งานจะสงบจิตของท่งานจะสบายอย่าไปคิดคนถี่ก่อกวนการงาน าการงานคือบางมากมันมีงานทำอยู่ไม่ได้เห็นไหมหลับตาภาวนาเดินจงกลมเหมือนมันเสียตายถ้าให้มันไปทํางานมันจะทําได้นี่งช่จิตมันหนีจากทำจากลีในมันไปเลื่อมใสวัตถุยิ่งกว่าการละที่เลสมันจริงจนอย่างนั้นถ้ามันมีทำ ม, มีอยู่ในในจิตในใจนี <c oughs> สมาธิมีปัญญารักษาจิตจริงจังมันเลยเป็นอย่างนั้น มันจะต้องปลีกในสิ่งที่เป็นพิดเป็นภัยในสิ่งที่เป็นข่าวเสียของใจเพราะทำไปแล้วอย่างน้อยก็เสียเวลาในการภาวนาการภาวนาด้านจิต ด, ด้านใจนี้เป็นงานละเอียดงานสําคัญเหมือนเครื่องจักรของนาฬิกามันละเอียดมีผงมีอะไรนิดหน่อยไปติดไกขวางใส่แต่นั้นมันก็หยุดมันละเอียดอย่างนั้น เรื่องของจิตของใจฉะนั้นท่านจึงให้ปล่อยวางเรื่องต่างๆหาสถานที่หาทักพวกเพนฝูงที่เหมาะสมในการปฏิบัติเรวอย่าไปถือว่าคนนั้นมีคนชั้นไรเสริญยอมีคนขึ้นคนนับถือมากจะเป็นคนดีถั่วไฟคนนั้นใน่มีใครดูแลรักษาใน่มีใครไปมาโยก ข, ข้อง คนนั้นจะชั่วอย่าไปคิดอย่างนั้นเชื่อดีนั้นนันอยู่ในจิตในใจอยู่ภายในของบุคคลถึงเขาในนับถือในเกี่ยวข้องในสัมไร่เสริมเยนยอชาติจิตของท่านละถอนที่เหลือได้ท่านไม่ได้ไปเยี่ยยายไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนอยู่สถ า, านที่ใดคนจะมาเลื่อมใสเป็นแสนเป็นลา้านนั่นก็ไม่ แต่มันจะเอาทำดีอะไรมาให้ใครจะไม่เลื่อนใสย่นหนีหมดอยู่แต่ตัวคนเดียวก็ไม่เช่กว่ากวางทั่วมันจะมาทัดผมตัวของเรา้าหากมันเป็นอาจเป็นทำมันเป็นอย่างนั้นทำอยู่ฝึกอยู่สบายท่องท่านเพาการละการถอนกิเลสของใจจึงเอาแน่นอนไม่ได้ว่าคนเลื่อนใส่มากจะเป็นคนดีคนหน่ มีใครมีโยมชมชอบจะเป็นคนชั่วข้อสำคัญเราอยากจะทราบเรื่องของพระเรื่องของใจเรื่องของผู้ดีหรือเชื่ออย่างไรนั้นต้องอาศัยการแต่ชุดปฏิบททัติภายในคือภาวนาตั้งหน้าจะทำบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้รู้ในอจในธรรมเราจะผูกปัญหาไปถามธรรมะกับท่าน ซึ่งมันเกิดเป็นเห็นรู้ในจิตในใจของเราอย่าไปหยิบยกเอาจากสาหรับจำราที่อื่นไปศึกษาตารบกับท่านจากการเป็นอย่างนี้กัทนทำอย่างนี้มันผิดถูกอย่างไรแล้วจะควรเจริญจะทำอะไรต่อไปนั้นท่านที่เห็นที่เป็นมาก่อนผ่านไปก่อนท่านจะบอกให้เพราะสันเคยผ่านไปสันเคยและเคยบํรเทนมา ถ้าหากคนที่ไม่เคยมีอัฐมีธรรมจำสาหรับจาลามาจะพูดวันย่างทํามันก็ไม่เข้าถึงธรรมที่เราเห็นเราเป็นในใจถ้าหากคนที่มีอัฐมีธรรมพูดคำ้องคเแ่านั้นมันก็เข้าใจสัน่นมีคเครื่องวัดตลอดวัดจิตใจทองผูกประพฤตปฏิบัติถ้าหาเอาลมปากของคนเอาคนเห็น แต่สันละเสนเอาคนขึ้นเป็นเครืงวัดเครืงหมายไม่ถูกทั่วไปที่ถูกก็คือการประปฏิบัติทางใจเราเป็นอย่างไรเราเห็นอย่างไรเราจะทําถ้าสงสัยใจไปไปถามสาหัสท่านองค์นั้นไม่เจนไม่เห็นไม่รู้ท่านก็จะตอบไปอย่างนั้นอย่างนี้บางล้อมไปเพื่อเพื่อเับเขาจะ ว่าเราเป็นคนโง่ในใจไม่เห็นในเจนในการปฏิบัติแต่ความจริงมันก็ไม่ถูกแล้วก็ทราบเพราะความถุมเดานี่เป็นเครื่องวัดเพราะฉะนั้นการประเัศปฏิบัติเจนเ็นตลอดสําคัญที่จะวัดจิตใจของคนทั่วไปว่าเป็นอย่างไรกันครูอาจารย์โองนั้นที่เดินที่ดังเมื่อเราไปศึกษาตารถธรรมะ ท่านจะว่าไปอย่างไรพอเข้าใจเพราะพระสมัยนี้หรือคนสมัยนี้ที่จะมีญาณภายในข้าววาระจิตของคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นข่าววาระจิตของคนนี้ว่าเป็นอย่างนี้มันหายยากไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความรู้ความใส่ใจเฉพาะนั้นมันเหมือนกันในสมัยพุทธกาลหรือปัจจุบันแต่ ความรู้ความเห็นที่จะเป็นตีดย่อ่ออกไปเป็นเรื่องที่จะทราบใจของคนอื่นมันหายากแต่นั้นเมื่อเราเป็นเราเห็นเราก็ทําบําเพ็ญในอดในธรรมความอยากทุกอย่างมัน่อยฉกไปสกไปมันหมดไปถึงมันมันเกิดไม่เป็นไม่เห็นอย่างนั้นเราก็ไม่เสียใจเพราะการละการแต่ทำของเรา เราเห็นเราเป็นเราเย็นแล้วสงบจึงไม่มีการสงสัยไม่คิดเหมือนคนที่ยังไม่ปฏิทินปฏิบัติคนยังมีจีเลีดหนาคิดว่าปฏิทิปฏิบัติตายนี้ขอให้มีอิทธิฤิธิดันดินดินบนได้ขอให้มีอิทธิฤทธิ์ทราบตาลัสิท์ของคนอื่นนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นคนที่คิดอยู่อย่างนั้นไม่ใช่คนที่หมด เก็บเรื่องของชีวิตคนที่คิดอย่างนั้นไม่มี่อวันที่จะรวมได้จิตใจเพราะไข่คิดเรื่องนอกในดูภายในอะไรเป็นข่าวสึดท้องใจอะไรเป็นภัยทิ่ทาความสงบไมได้จะต้องทราต้องเห็นในจิตในใจท่องเต็ละสิ่งนั้นถอนสิ่งนั้นออกไปใจสงบใจเย็นใจเห็นใจรู้เรื่องความสุขความละความถอนท้องตัวเต็มเ เรื่องหมดจบจากการละการบําเพ็ญก็เห็นก็รู้แล้วมันอยากอะไรอีกอยากมันหิวมันจึงอยากคือยังไม่อิ่มหาอะไรอีกหามันไม่เห็นมันจึงหาจะไปไหนอีกล่ะมันยังไม่ถึงมันเพ่งคอยไปถ้ามันเห็นมันเป็นมันเย็นมันสงบมันรู้มันใส่ใจจริงจังแล้วมันจะอยากอะไรจากหาอะไร แม่นิพพานที่ท่านต้องการศาสนาท่านก็ไม่อยากจะอยากอะไรนิพพานมันอยู่ที่ไหนท่นานทราบแล้วท่านเข้าใจแล้วท่านพอแล้วท่านจึงไม่อยากอยู่สถ า, านที่ใดก็นิพพานผี่นั้นเนื่อธาตุขันมันแตกสลายหรือสถานที่ใดก่อนจะนิพพานผี่นั้นสำหรับนิพพานผืนเด็ดของใจเร็จ อนุกปาซีเสียฐานิพานด้วยอะไรนิพานสองแผ่นเก่าไว้ดับที่เหลืสแตจยังเหลือเดินจะขันทั้งดับที่เหลือทั้งดับเดินจะขันคือแตกสลายไปท่านก็ทราบเนอะมันดับที่เหลือไม่หมดที่เหลือแล้วนั่นแหละนิพานในสียนิพานอยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตผู้ที่หมดที่เหลืจิตของคนที่ไม่หมดที่เหลือจะขึ้น จะเรียบดาวเทียมไปสถานที่ใดก็ไปเถอะไปหานิธปามไปจนตายก็มีวันเจออยากจนตายก็ไม่เห็นไม่อิม่ถมถ้ามันเห็นมันเห็นมันรู้มันเข้าใจอย่างนั้นการปรฏริบัติปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านจะต้รรองทำบาเพ็ญในเชื่อว่าธรรมะมันหมดการหมดสมัยผูกกปฏิบัติเท่านั้นจะได้จะเห็น จะเชื่อมั่นในอาจทำที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นเพื่อนผู้ที่เรียนตำหลับตำลาสุนดาเอานั้นจะไม่มีวันรู้เห็นชัดเจนในเรื่องของธรรมะเห็นแต่ตำลาของธรรมะตัวธรรมะจริงจังเป็นอย่างไรไม่เห็นให้ดังนั้นพวกเราท่านที่ตั่งใจมา ป, ปฏิบัติ ขอจงต่งหน้าต่างตาจะทำบำเพ็ญอย่าไปคิดว่าศาสนามันหมดมักหมดผลคนผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นหมดหมดมคหมดผลในตนจึงสงสยัยศาสนามันไม่เสื่อมทำด้วยในมันไม่เสื่อมคนเสื่อมจากการแระพฤตปฏิบัติถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ต้องปรับปรุงใจใจของเราบังคอบเขา้า สูอัดสู่รมต่างหน้าต่างตาที่นิจคุ้เคยนาละถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นภัยอันตรายแต่ทาบำเท็ญสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าจะทาให้ไปสู่ความบริสุทธิ์เมื่อทุกคนตั้งมั่นอย่างนั้นลงมือประพฤติปฏิบัติกันจริงจังก็จะรู้จะเห็น ในจิตในใจท้องตนเพราะฉะนั้นการประฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญ